เพราะนผลของอกุศลเนี่ยจึงไม่มีจึงไม่มีเหตุประกอบเลยเพราะเหตุตุปั จ, จต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวอัน น, นในในในอกุศลอ่นนะโลพาเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเป็นอกุศลอย่างเดียวเท่านั้นเป็นวิบากไม่ได้แต่ว่าจะต่างจากกุศลนะกุศลเนี่ยมันให้ผลเป็นชาติวิบากได้ไก็เพราะว่าเป็นกุศล แล้วก็วิบากเนี่ยคล้ายกับตัวแล้วก็สิ่งนั้นอ่ะไม่มีโทษแต่ถ้าวิบากเนี่ยนะมันให้ผลเอ่อสมมติว่าผลของอกุศลเนี่ยถ้ามันมีมันให้ผลไปเป็นอกุศลซ้ําอีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่มีใครออกจากอบายได้หรอเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะขณะที่หลับก็โทสะตลอดใช่ไหมสมมติถ้าโทสะนําเกิดที่ไหนเนี่ยนะหลับก็หลับด้วยโทสะเพรายี่ยเสียหายมา ก, ก น, นะไปอรย์ครับไปอย่างนั้น ก็บางคนเนี่ยนะแค่เขาหลับนะตื่นมาเข้าใจดีเลยเยี่ยมเย้มแจ่มใสผ่องใสมากนะนะอนะพอพอได้นะตรงนี้นะว่าผลของอกุศลนี่มีแค่แค่เจ็ดเท่านั้นนะเพราะมันไม่มีเหตุประกอบคือไม่มีโลภโทสะโมหะเป็นเหตุประกอบ แต่ถ้ามีโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุประกอบนะอากุศลเนี่ยมันจะได้สิบสิบเก้าเลยใช่ไหมคือสิบสองบวกเท่าไหร่บวกเจ็ดแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ อ, อากุศลไม่สามารถให้ผลเป็นวิบากแบบตัวเองได้ เพราะฉะนั้นจึงมีแค่แค่เจ็ดเท่านั้นเองพออ้ยมันดีแล้วหรอครับที่มันให้ผลแค่สิบเจ็ดเนี่ยนะถ้าให้ผลแค่เจ็ดเนี่ยมันดีแล้วมากกว่านี้ถ้ามันมีกิเลสเกิดร่วมด้วยวิบากด้วยกิเลสด้วยก็ยุ่งมากเลยนะไม่รู้จะแก้ร่างยังไงละไม่ได้แก้ไม่ได้อยู่แล้วนี้แสดงว่าเราร่างพระจิตโดยโดยจิตหน้าพระจิตของใครก็โดยเจ้าใจโว้ย แย่ yeah, แล้วคนนี้เรียนอากุศลอยู่ดีๆตามเรื่องไม่ทันเลยนะหลวงพ่อนี่มันเรียนอากุศลวิบากแล้วครับหลวงพ่อว่าอากุศลวิบากทําไมมันมีเจ็ดถ้ า, ากุศลวิบากมันมีสิบหกเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนมาเรื่องนี้แล้วหลวงพ่อ ทีนี้ถ้ากิริยากิริยานี้เขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือสะเหตุกะกับอเฮตุกะกิริยาะสะเหตุกะนี้หมายถึงว่ามีอโลภะอะโทสะอะโมหะเนี่ยเป็นเกณฑ์ให้เรียกว่าสะเหตุกะเี้ยนะ อ่ะสะเฮตุกะกิริยานี้ก็มาแบ่งตามภูมิถ้าเป็นสเฮตุกะที่เป็นกามาวจรเนี่ยนะที่เป็นสเหตุกะนะก็มีมีเท่าไหร่มี8เนี่ยนะที่เป็นรูปาวจรมี5ที่เป็นอะรูปาวจรมีมีสเนี่ยนะ ถามว่าไอ้เหตุตุกกะกิริยากับกุศลต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่ากุศลให้วิบากเป็นธรรมดาส่วนกิริยาไม่มีวิบากเป็นธรรมดาต่างกันตรงนี้ที่เหลือไม่มีความต่างเลยจิตของพระาหันกับจิตของคนที่เป็นกุศลไม่มีความต่างกันโดยสภาพจิตนะต่างกันว่าบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พาหาันให้วิบาก พาหันไม่มีวิบากต่อไปต่างกันตรงนี้แต่โดยสภาพจิตไม่มีความต่างกันเช่นพาหันให้ทานก็เป็นทานนกเป็นเหมือนทานกุศลเหมือนกันหมดแต่ไม่มีวิบากเนี่ยนะสำหรับปุถุชนที่ต่บุคคลที่ต่ำลงมากว่าพาหันเนี่ยมีวิบากเป็นธรรมดาอันนี้คือความต่างกันเพราะฉะนั้นในในอัตถกถาปฏิสัมภันธรรมั ก, กบอกว่าถ้าพูดถึงกุศลนะ เท่ากับพูดกิริยาด้วยแล้วว่าไงถ้าพูดถึงกุศลที่ใดให้รู้ว่าที่นั่นเท่ากับพูดกิริยาด้วยแล้วเพราะว่ากุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพผ้ารหันเรียกว่ากิริยามืนว่าเอาผ้าบุบตุชนนะนุนตรชนที่เข้าปรถมชาติเข้าชาตที่หนึ่ง พระสกะโสดาบันเข้าชานที่หนึ่งพระสกะทาคามีเข้าชานที่หนึ่งอนาคามีเข้าชานที่หนึ่งพระอระหันเข้าชานที่หนึ่งเนี่ยโดยตัวชานไม่มีความต่างกันโดยชานโดยอารมณ์เนี่ยไม่แม้ต่างกันโดยองคานนะทุกอย่างไม่มีความต่างกันต่างกันที่เอกฝ่ายหนึ่งเป็นเป็นเรียกว่าให้วิบากเป็นธรรมดา ของปุตุชนของพระโสดาบานันพระสกทาคามีของพผ้านาคามีเป็นสิ่งที่เรียกว่าให้วิบากเป็นธรรมดาแต่ของพระอรหันต์ไม่มีวิบากแต่โดยองค์ชาญโดยอารมณ์โดยการเข้าฌานไม่ต่างกันเลยเนี่ย น, นั้นกิริยาก็คือกุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นที่ใดพูดกุศลที่นั่นเท่ากับแสดงกิริยาอยู่ในตัวอยู่แล้ว ส่วนอาเหตุกะกิริยาเนี่ยก็คือมีสามดวงอ่ะนะสามดวงสามดวงคืออะไรสามดวงก็แบ่งตามอาวัชชนะนะอาวัชชนะอาวชนะเนี่ยบางท่านก็แปลว่านึกบางท่านก็แปลว่ารำพึงบางท่านก็แปลว่าคำหนึง บางท่านก็แปลว่าใครครวนชอบแบบไหนก็เอาแต่ศรัทธาเกิดก่อนไหนอวชนะแบ่งออกเป็นสองทวารของอวัชนะทางปัญจทวารกับอวชนะทางมโนทวารอาวชนะทางปัญจทวารต่อด้วยปัญจทวารวิถีอวัชนะทางมโนทวารต่อด้วยมโนทวารวิถี เนี่ยนะก็คื อ, อถ้าเป็นทางมโนทวานจะต้องต่อด้วยชาวนะทันทีเลยแต่ถ้าทางปัญจทวานก็จะเข้าตามวิถีใช่ไหมปันนะถ้าโดยวิถีก็ขึ้นปะก่อนแล้วต่ออะไรทวีสังนะวุชะตะนะตะก็คือตะทารมณนะนั่นเอ ง, อง น, น มันก็ปัญจทวานวิถีก็จะต่อด้วยจิตแบบนี้ถ้ามโนทวานวิถีก็จะต่อด้วยนี่พั้นตัวอาวัชนะแปลว่านึกถึงหรือแปลว่ารำพึงถึงหรือแปลว่าคํานึงถึงนิยมโดยทั่วไปแปลว่ามณสิการเนี่นยนะมณสิการก็ได้แปลว่าสายใจเนี่ยนะ น, น้อมไปคิดน้อมไปนึกน้อมไปพิจารณานั่นเองเะนั้นการในทางปัญจทาาวานเนี่ยนับหนึ่ง มโนทวานก็นับหนึ่งแต่ในปัญจทวาร น, นั้นสามารถนับ5ได้เพราะคําว่าปัญจแปลว่า5ก็ก็เรียกตามทวานไปนะนับหนึ่งก็ได้คือปัญจทวานถ้านับห้าก็แบ่งตามเช่นถ้าอาวัชนะทวานตาเรียกว่าจักขุทวาราวชนะัชณะอาวัชนะทางหูเรียกว่าโสตะทวาราวชนะัชณะอาวัชนะทางจมูกเรียกว่าคานะทวาราวัชนะถ้าทางลิ้นเรียกว่า เชียวหาทวาราวัชนะทางการเรียกว่ากายทวาราวัชะเนี่ยนะก็แต่ว่านับมายอ่อเลหนึ่งเลยปัญจทวารเรียกอันเดียวก็พอแล้วก็มโนทวารอีกหนึ่งไอตัวมโนทวารเนี่ยแบ่งกิจเป็นสองไไปทากิจเนี่ยโวทัพะเป็นครั้งคราวทากิจโวทัพณะเป็นครั้งคราวเนี่ย ทางภาษาบาลีนะทำไมตัวย่อเป็นวุทําไมเขียนจริงเป็นโวทัพณะอย่างเงี้ยโวทัพณะถ้าเป็นตปฏิวุเนี่ยสะอุเป็นสระโอเนะสะอุกัสะโอตระกูลเดียวกันกับอะไนะเขามีสะระที่ใกล้ชิงนะสะอากัสะอาดนี่ตระกูลเดียวกันเสียงสั้นเสียงสั้นเสียงยาวนะสะอุกับสะอุสะอุกับสะอุเนี่ยนะบางทีก็อุไปเป็นโอก็มี กาเรียว่าพริบ้างเรียกว่าุธบ้า ง, างทาให้มันใหญ่ขึ้ น, นดีขึ้นเจริญขึ้นนี่นะพุทธกับโพธิพธพธอะไรเนี่ยนยะโสอุเป็นสโสอุอ่ะเหนไหมเพราะในในที่เป็นอาเหตุุกะแบ่งเป็นอาวัชนะ ส, ะสองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหาสิตุปาซจิตของพระอรหรันเนี่ยนะที่ที่เป็นอาเหตุุกะนะ อาเฮตุกจิตของพระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์ท่านไปเห็นสถานที่ส ป, ปายะเนี่ยนะที่จะเข้าสมาบัติท่านก็ยิ้มยิ้มแบบแบบกิริยานะสำนวนว่ายิ้มแบบไม่ได้วิจิตไปคิดพิสดารอะไรนะเออดีแค่นะั้นหรือบางทีก็มีอีกที่หนึ่งก็คือเห็นเปรตแล้วท่านก็ยิ้มอ่ะนะยิ้มพอท่านยิ้มเสร็จก็บอกยิ้มทําไมบอกว่าผมไม่ต้องเกิดแบบนี้อีกแล้ว เห็นและยิ้มเลยนะของเราเห็นแล้วก็ยิ้มเลยนะไม่ยิ้มเลยเนาะคุณถามคุณนภายิ้มไหมไม่ยิ้มเลยอ่ะที่ลงกับเขาคิ่จักรูดนะไม่ใช่เปรตหรอกเห็นมนุษย์จริงๆแหละแต่ว่าสภาพไม่ต่างกันมากนักมันก็เลยได้เหมือนกันนะไปเขาคิ่จกูดก็ได้ตรงนั้นเนี่ยเวลาลงจากเขาก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าเห็นมนุษย์ที่ที่ไม่คุณลักษณะไม่ต่างอะไรจากที่เรียกว่าเปรตมากนัก คือไอ้สาคัญเนี่ยนะไอ้สีหน้ายิ้มๆเนี่ยเขาเขามีคนยิ้มจนจะหุบไม่ลงก็มีมั้งไอ้ไอ้ตัวยิ้มจริงๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้ถ้าเป็นอันนี้ยิ้มแบบแบบปกติสุจริตใจนะก็คือเกิดจากโสมนัสแต่มันยิ้มสมัยใหม่เนี่ยมันมันหน้าบานเฉยๆมันไม่ได้เกิดจากโสมนัสะไรนะโกรธจะแย่อยู่แล้วนะก็ยิ้มอย่างนั้นนะไม่ใช่อ ท่านถ้ายิ้มแบบในตามที่เราเรียนเนี่ยหมายถึงจิตที่เกิดจากโสมนัตเป็นอย่างเดียวเห็นไหมโสมนัตอันนี้ก็แบ่งระดับการยิ้มมันก็ต่างกันนะบางคนก็เพียงแต่สักแต่ว่าร่าเริงเฉยเฉยคือคือถ้าไม่สังเกตมาไม่ออกนะว่าว่าร่าเริงอยู่อีกคนหนึ่งสูงขึ้นไปกว่านั้นนีกก็ น, นะมีผลทางนะเช่นมุมปากก็จะเปลี่ยนไปบ้างถ้ายิ้มมากไปกว่านั้นนี่ก็เห็นฟันเลยใช่ไหม จะเว่ายิ้มแค่เห็นไรฟันเน่ยนะบางคนนี่เกินไปกว่านั้นนี่ก็ก็มากขึ้นไปกว่านั้นนั้นมากขึ้นไปกว่านั้นก็มีหลายมากมากมากมากเข้าแล้วอะไรนะขากระไก่ค้างนะเคยได้ยินไหมนะหัวเราะมากนะไอ้คาว่ายิ้มเนี่ยถ้าถ้ามันออกเสียงออกมาเขาเรียกว่าหัวเราะจริงๆก็สิ่งเดียวกันนั่นแหละ ที่เกิดจากโสมนัสขึ้นมาก็เพราะฉะนั้นจิตนี้แบ่งออกเป็นสีชาตินะทวนอีกครั้งคือกุศลชาติโดยย่อย1็พิสดารก็3ามสิบเจดอากุศล12บสองวิบากเท่าไหร่วิบากรวมอีกครั้งหนึ่งนะว่าเหตุกะกุศลวิบากมีเท่าไหร่ส <16. S 1> ิบหกเนนะก<ส>็เออใช่ใช่ ผลของกกามาวจรกุศลเนี่ยมี16บของรูปาวจรกุศลมีห้าผลนะวิบากอะอารูปาวจรมี4ี่โลกุตระมีสเท่ากับ29นะหรืออีกในหนึ่งอะอกในหนึ่งก็คือลบอันนี้เป็นย0สิบแทนเท่าไหร่ เท่ากับ45นะเขาบอกว่าโดยย่อ29นะกุศลวิบากนะกุศลวิบากโดยย่อ29โดยพิสดาร45ทีนี้ถ้าบวกกับอกุศลวิบากอีกเจ็เท่ากับ52เนี่ยนะตัวเลขเราเนียในประธานใช้บ่อยมากว่ามาจากไหนตัวเลขเรานี่น ก็คือการการบวกพวกนี้ต้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วไปเรียนปฎฐานก็จะเหลือแต่ตัวเลขแบบนี้แล้ว29เนี่ถ้าบวก7เป็นเท่าไหร่นั่นนะสาถ้าเจอวิบาก36ที่ไหนให้รู้ว่าแบบบวกกับย่อบวกย่อมาถ้าเจอเสีย52เมื่อไหร่ก็บวกแบบคิสดสุานเพราะฉะนั้นวิบาก36บางแห่งก็36บางแห่งก็52 บางท่านก็อาจงงจะงงจริงๆก็มาจากว่าไอ้ตัวโลกุตระวิบากนี่จะเอาเท่าไหรก่ก็แบ่งไปตามนั้นไปเนี่ยนส่วนพัน ว, วิบากนะโดยโย่อสาสิบหใช่ไหมโดยพิสดารห้าสบสเนี่ย น, นะวิบากโดยย่อสาสบกพิสดารห้าสิบสองส่วนกิริยานี้ยี่สิบไม่มีลดไม่มีเพิ่มเนี่ยนะ ยี่สิบคือที่เป็นแปดเออไม่ใช่สามก่อนอเฮตุกะสามอะไรแล้วก็บวกอีกเก้ายี่สิบนะ <20. S 1> เอ็ดศูนยาะยี่สิบนะเอยี่สิบจริงนะกิริยานี้ไม่มีลดมีเพิ่มนะมียี่สิบอย่างเดียวท่านะในยะที่หนึ่งนะ เรียกว่าเพทะในาเพทะเพทะตัวนี้เนี่ยมาจากถ้าเพิ่มปะเข้ามาอีกแล้วก็แปลว่าประเภทแล้วก็บวกคําว่าในนัยะนะก็คือวิธีวิธีจำแนกเนี่ยนะวิธีแบ่งประเภทแบ่งกลุ่มแบ่งเรื่องแบ่งราวเนี่ยเช่นแบ่งจิตเนี่ยแบ่งให้มาเป็นกามาว่าจะแบ่งโดยชาติมีสีชาติกุศลอกนะุศลวิบากกิริยาเนี่ยนะ แบบตามน้ำนัเนี่ยคือทั่วใหญ่จะเรียนมาแบบตามน้ำไม่ได้ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะแบบทวนน้าแบบทั น, บบทนน ะ, ะคือเราเราชินมากับกับแบบเดิมนะที่เรียนเรียนตามหนังสืออืมคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆจําเหมือนกันนะแต่ว่าตามน้ำแบบไม่จํำก็มีนะก็ไล่ลงมาแบบลูกแผนนะครับเจนพังก็เรียกว่าโดยในที่หนึ่งโดยชาติในที่สองโดยอะไร คือคือเป็นส่วนที่เราต้องหมั่นมามามาพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะนี่ก็โดยภูมิเนี่ยนะบางทีก็โดยภูมิเพตนยัยภูมิก็มีสี่ไหมกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระเนี่ยนะอะ่กามาวจรเนี่ยนะก็คือจิตที่ท่องเที่ยวไปในวัตถุกรรม วัตถุ ก, ก ร, รมกิเลสกา ร, รมเป็นส่วนมากจิตรเรานั้นเรียกว่ากา ม, มาวจรเราั้นก็ก ร, รมมาวจรก็แบ่งอะไรแบ่งเป็นแบ่งแบ่งตามชาตินะ่าจะเห็นชัดนะถ้าไม่ลืมเรื่องชาติแล้วก็แบ่งอะไรแบ่งเป็นลลกุศลแลชาติอกุศลแชาติวิบากชาติกิริยาชาตินี่นะถ้าเอาอย่างนี้มาตั้งนะกุกุศลอกุศลวิบากกิริยาที่เป็นกามมาวจรแล้วค่อยหาผลลัพธ์ว่ามันจะเท่าไหร่ ถ้าถ้าเราเรียนจาชาติมาได้แล้วนี่ถ้ า, ากุศลก็มี8อากุศลมี12วิบากมี23 23าคืออะไรคือ16บวก7ที่เป็นกุศลวิบากมี16อากุศลวิบากอีก7เป็น23กิริยามี 1, อ่บวกห่อบวเท่ากับ 11เนี่ยนะเหตุกะแปเหตุกะ3เนี่ยนะก็เป็น11เพราะฉะนั้นบวกรวมกันทั้งหมดมี54กามาวจรจิต54ก็กมาบวกแบ่งกันตามนี้ส่วนรูปาวจรจิตเนี่ยเขาแบ่งตามอะไรแบ่งตามชาติอีกเหมือนกันคือกุศลที่เป็นอกุศลไม่มี แบ่งตามวิบากและก็กิริยาเนี่ยนะที่เป็นกุศลนี่เขาแบ่งออกเป็น5ระดับเนี่ยนะหระดับก็คือระดับปฐมฌานระดับทุติยะฌานระดับตติยะฌานถ้าพูดเป็นชั้นก็ได้นะแบ่งเป็น5ชั้นชั้นระดับชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นสชั้น5้นี่นะก็แบ่งเป็น5ที่เป็นวิบาสนเหตุเท่าไหร่ผลเท่านั้นนะ เหตุเท่าไรผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็วิบากหกุศลนั่นแหละที่เกิดในจิตของผ้าอาหารหันเรียกว่ากิริยาก็มี 5. จึงรวมเป็น15ก็เป็นแบบนี้